ต่อเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เห็นทำอะไรอะไรทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตน จึงเป็นฐานะที่จะชื่อว่าประกอบด้วยอนุโลมิกะขันติและเมื่อประกอบด้วยอนุโลมิกะขันติก็เป็นฐานะที่จะยังลงสูนิยามคือความกำหนดแน่แห่งความเป็นชอบ คือสูนิยามแห่งอริยมรรคมีสมาธิฏิเป็นต้นและเมื่อยังลงสูนิยามแห่งความเป็นชอบก็เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจงอริยผลทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อยังเห็นนิพพาน โดยความเป็นทุกข์ก็เช่นเดียวกันไม่เป็นฐานะที่จะประกอบด้วยอนุโลมิกาขันติไม่เป็นฐานะที่จะยังลงสูนิยามแห่งความเป็นชอบ ไม่เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจงอริยผลทั้งหลายต่อเมื่อเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขดังที่มีปาฐะว่านิพพานนางประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขจึงจะเป็นฐานะที่ ประกอบด้วยอนุโลมิกะขันติเป็นฐานะที่จกยังลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบเป็นฐานะที่จะกระทําให้แจ้งอริยผลทั้งหลายดังนี้และ จะชื่อว่าได้อะมอโุโลมิกะขันติด้วยอาการอย่างไรจะชื่อว่ายัางลงสู่ความเป็นชอบด้วยอาการอย่างไรได้มีประพุทธภาสิทธะ จำแนกอาการไม่เป็นอันมากแต่อาจสรุปลงได้เป็นสามคือเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตาเห็นนิพพานโดยความเป็นเที่ยงโดยความเป็นสุขและโดยความเป็นปรมัต หรือปรมัตถคือมีอัตถะอย่างยิ่งกล่าวคือเห็นขันธ์ห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงยอมได้ อนุโลมิกะขันติเห็นความดับขันห้าเป็นนิโรธคือความดับทุกขเป็นของเที่ยงแท้เป็นนิพพานย่อม ได้หรื อ, อยังลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบคือสู่ทางอริยมัตเห็นขันห้าโดยความเป็นทุกย่อมได้อนุโลมมีกะขันติ เห็นความดับขันห้าเป็นนิโรธคือความดับทุกข์เป็นสุขเป็นนิพพานยอมยังลงย่อมได้นิยามแห่งความเป็นชอบเห็นขันห้า โดยความเป็นอนัตตายอมได้อนุโลมิีกะขันติเห็นความดับขันห้าเป็นนิโรธคือความดับทุกข์เป็นปรมัตภะคือมีอัตถะอย่างยิ่งอย่างละเอียด เป็นนิพพานย่อมอยังลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบดังนี้เพราะฉะนั้นอนุโลโมิกะขันตินี้จึงเป็นข้อสำคัญศีลสมาธิปัญญา อาศัยขันติมาก่อนคือในการปฏิบัติศีลสหรบศีล ส, สมาธิปัญญานั้นก็ต้องใช้ขันติต้องประกอบด้วยขันติและเมื่อได้ศีลสมาธิปัญญาขึ้น ก็ทำให้ได้ขันติที่สูงขึ้นคืออนุโลมิกะขันติดังกล่าวคือเมื่อได้ปัญญาเห็นขันห้าว่าไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เมื่อได้ปัญญาดังนี้ก็เป็นอันว่าได้อนุโลมิกะขันติซึ่งนำไปสู่นิยามแห่งความเป็นชอบคืออริยมรรคมีสมาธิิเป็นต้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะกระทําให้แจ้งอริยผลทั้งหลายได้เพราะฉะนั้น นิยามแห่งความเป็นชอบคืออริยมรรคจึงกล่าวได้ว่าเป็นมรรคนั่นเองและเมื่อได้มรรคก็ย่อมได้ผลคือกระทําให้แจ้งผลทั้งหลายคืออริยผลทั้งหลายได้อริยมรรกก็ได้อริยผล อนุโลมมกะคันตินั่นจึงเป็นขันติที่อนุโลมต่ออริยมรรคอริยผลสอดคล้องต่ออริยมรรคอริยผลเป็นคันติที่ได้มาจากปัญญาที่เห็นขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา และในการที่จะปฏิบัติในปัญญาในสมาธิในศีลก็ต้องอาศัยคันติคือความอดทนมาโดยลำดับแผดเผากิเลสมาโดยลำดับ ถ้าไม่อาศัยขันติก็ไม่อาจที่จะปฏิบัติให้สำเร็จได้เป็นขันติในขั้นปฏิบัติตั้งแต่ในเบื้องตน้นครั้นได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาเห็นขันห้า ว, ว่าไม่เทียนเป็นทุกข์เป็นนัตตา จึงได้ขันติที่เป็นอนุโลมต่อมรรคผลอันเรียกว่าอนุโลมิกะขันตินี้มีลักษณะเป็นความทนทานไม่วันวาอันจะเปรียบได้ยาอย่างภูเขาหินล้วนไม่วันวาด้วยลม อันพัดมาแต่ทิศทั้งปวงต่างจากต้นไม้เป็นต้นทั้งใหญ่ทั้งเล็กเมื่อถูกลมพัดแม้จะไม่หักก็ไหวและแม้ว่าจะไม่คนลมทั้งต้น กิ่งใบก็อาจที่จะหักลนถ้าหักว่าถูกลมแรงมากก็จะต้องล้มั้งต้นแต่ภูเขาหินล้วนนั้นย่อมทนได้ต่อลมอันพัดมาแต่ทิศ ต, ตั้งปวงอนุโลมมิกาคันติก็เช่นเดียวกัน เมื่อปฏิบัติให้เห็นไตรลักณ์ในขันห้าได้จิตก็จะแข็งแกร่งทนทานไม่วันไหวต่ออารมณ์และกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึง นำสู่อริยมรรคสู่อริยผลจึงเรียกว่าอนุโลมิกะขันติขันติที่อนุโลมคืออนุโลมต่ออริยมรรคที่เรียกว่านิยามแห่งความเป็นชอบและอริยผลทั้งหลายดังนี้ ตามที่แสดงมานี่แสดงตามระพุทธภาษิตทธิตรัสเอาไว้เป็นคันติที่มีลักษณะพิเศษกว่าขันติทั่วไปแต่ว่าในการปฏิบัตินั้นก็จะต้องปฏิบัติตั้งแต่คันติคือความอดทน มีน้ำอดน้ำทนมีความอดกลั้นทนทานต่ออารมณ์และกิเลสทั้งหลายซึง อ, อาจจะทนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเมื่อฝึกอยู่บ่อยๆแล้วก็จะทำให้ความอดทนนี้มีพลังยิ่งขึ้นสามารถอดทนต่ออารมณ์และกิเลสได้มากขึ้น พร้อมทั้งเมื่อมีโสรจกจะคือความที่ทำใจให้สบายโดยระบายอารมณ์และกิเลสที่อัดอยูใ่ในใจออกไปไม่ปล่อยให้อัดเอาไว้ระบายออกใจร ะ, ระบายใจออกไปให้สบาย อาศัยสติอาศัยปัญญาและอาศัยธรรมะอื่นๆเช่ น, นเมตตากรุณาเป็นต้นเข้ามาช่วยและเมื่อระ บ, บายออกไปได้ใจก็สบายเมื่อใจสบายกายวาจาก็เป็นปกติเรียบร้อยดีงามเพราะฉะนั้น จึงตแสดงว่าธรรมะคู่นี้ขันติคือความอดทนโสรจจะที่สัญแปลว่าความสงเงี่ยมเป็นธรรมะที่ทำให้งามดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัดนี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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศ า, ศาสดาที่เราทั้งหลายได้สวด สเสริญพระคุณหรือกำหนดใจสรวนเสริญพระคุณโดยบทว่าพุโทโธอยู่เป็นประจำและแม่ในการ ทำสมาธิก็กําหนดจิตว่าพุโทโธไปพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเป็นต้นพุโทโธ พระผูรูู้ตื่นผู้เบิกบานจึงเป็นบทประพุทธคุณที่เราทั้งหลายได้กล่าวเรียกถึง หรือกำหนดใจถึงพระพุทธเจ้าก็คือพุทโธนี้เองจึงเป็นคําที่เราทั้งหลายรู้จักและเข้าใจ ว่าหมายถึงองค์สมเด็จพระบรมศ า, ศ, าศาสดาแต่ว่าความเข้าใจนั้นย่อมมีต่างๆกันเข้าใจ ด้วยความรู้ทางตาทางหูคือได้อ่านได้ฟังเรื่องพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาอันนับว่าเป็นปริยัต ได้รู้จักเข้าใจด้วยการปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนโดยยอ่อก็คือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญา และรู้จักเข้าใจโดยผลของการปฏิบัติจนถึงขั้นที่ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหรือผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้ ขันเป็นความรู้ความเห็นขั้นผลของการปฏิบัติขันกล่าวได้ว่าเป็นขั้นธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรม อันธรร ม, มาจาักสุดวงตาเห็นธรรมนั้นท่านแสดงไว้ถึงดวงตาเห็นธรรมที่บังเกิดขึ้นแก่ท่านพระโกนทัญญ่าเมื่อท่านได้ฟังปฐมเทศนาแล้ว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 และเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมก็ยอมได้ดวงตาเห็นพระพุท ธ, ธะพระภูรูผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะธรรมะที่ทรงแสดงสั่งสอน เป็นสัจจะคือความจริงทั้งสิ้นพระพุท ธ, ธพระองค์มิได้ตรัสรู้เป็นพระพุท ธ, ธโดยง่ายาด และแม้เมื่อตรัสรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทรงดำรงอยู่โดยง่ายได้จะทรงประกาศพระพุทธศาสนาโดยง่ายได้เพราะ มีสิ่งขัดขวางหรือภูขัดขวางมาโดยลำดับก็คือมานที่เราทั้งหลาย ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะได้ยินได้ฟังเรื่องมาที่มาพระนพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าก็ทรงผจนมารทรงชนะมารจึงได้ตรัสรู้ประธรรมเป็นพระพุทธเจ้าดังที่ มีแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าผจนมารและนิยมเขียนภาพพระพุทธเจ้าผจนมารที่เห็นกันอยู่และเมื่อเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว มารพ่ายแพ้ขัดขวางพระองค์มิให้ไม่ตรัสรู้ไม่ได้ก็ยังไม่หมดความพยายามยังได้ทูล ขอให้พระองค์เสด็จดับขันพระปริพันธ์แต่พระองค์ก็มิได้รับคำทูลของมารเพรา ะ, ท ร, ระทรงเพราะทรงมีพระมหากรุณาต่อโลก ทรงรมสังคาราธิทานคืออติทานตั้งพระไทยดำรงประชนมายุสังคารเพื่อประกาศพระาศาสนาให้ พรสัตรธรรมตั้งมั่นลงในโลกบริสถานพุทธบริษัทขึ้นในโลกและก็ได้ทรงปฏิบัติตามที่ทรงอธิษฐานพระหัไทย เด็จประกาศพระพุทธศาสนามฏดิสถานพุทธบริษัท ต, ตลอดเวลาที่แสดงไว้วันสี่สิบห้าปีในระหว่างนี้ก็ยังมีแสดงไว้ วามานก็ได้เข้ามาทำการขัดขวางต่างๆหรือวัดทุนส่งเสริมไปในทางผิดต่างๆ อีกหลังหลายคราวหลายครั้งหลายคราวจนถึง